เท่าที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือสำหรับรับรู้คือเท่าจํานวนอายตนะหกที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นดังนั้นอายตนะทั้งหจึงมีคู่ของมันอยู่ในโลกเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้สำหรับแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกรับรู้หรือลักษณะาอาการต่างๆของโลกเหล่านี้เรียกชื่อว่าอายตนะเหมือนกัน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 แดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอกอายตนะภายนอกหอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโหดถัพทพะคือสิ่งต้องกายและธรรมอารมณ์คือสิ่งที่ใจนึกโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งอันเป็นที่สำหรับจิตมาน่วงอยู่หรือสิ่งสำหรับยึดหน่วงของจิต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 มีชื่อในภาษาธรรมะและมีความเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ 1. จกักขุคือตาเป็นแดนรับรู้รูปคือรูปเกิดความรู้ขึ้นคือจกักขุวิญญาณคือเห็น 2. โสตะคือหู เป็นแดนรับรู้สัทธะคือเสียงเกิดความรู้คือโสตวิญญาณคือได้ยิน 3. าคานคือจมูกเป็นแดนรับรู้คันธะคือกลิ่นเกิดความรู้ขึ้นคือคานะวิญญาณได้กลิ่น จิวหาคือลิ้นเป็นแดนรับรู้รสะคือรสเกิดความรู้คือจิวหาวิญญาณปรูรสห้ากายะคือกายเป็นแดนรับรู้พลทัพพะสิ่งต้องกายเกิดความรู้คือกายวิญญาณ รู้สิ่งต้องกายอมโนใจเป็นแดนรับรู้ธรรมหรือธรรมะเรื่องในใจเกิดความรู้คือมโนวิญญาณรู้เรื่องในใจธรรมหรือธรรมะเรื่องในใจซึ่งนิยมเรียกว่าธรรมารม เพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่าธรรมหรือธรรมะที่ใช้ทั่วไปซึ่งมีความหมายกว้างขวางมากหลายในยยะในที่นี้ท่านหมายเหตุคำแปลาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายตนะหกอารมณ์6และวิญญาณหกไว้โดยละเอียดค่อนข้างยาวนะครับท่านผู้สนใจโปรดดูได้จากพุทธธรรมฉบับปรับขยายได้ที่หน้าส1ด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 เวลาฟุ้งซ่านหรือใจลอยไปเสียเวลาใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนขณะอยู่ในสมาธิรูปและเสียงเป็นต้นหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาอยู่ในวิสัยที่จะเห็นจะได้ยินแต่หาได้เห็นหาได้ยินไม่หรือตัวอย่างง่ายๆขณะเขียนหนังสือใจจดจ่ออยู่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 คืออายตนาอารมณ์และวิญญาณภาวะนี้ในภาษาธรรมะมีคำเรียกโดยเฉพาะว่าผัสสะหรือสัมผัสจำรับคำว่าผัสสะและสัมผัสหรือในภาษาอังกฤษว่า o n t แทกนี้ไม่ควรเข้าใจสับสนกับความหมายในภาษาไทยแม้คำอื่นๆคืออารมณ์วิญญาณเวทนา ก็มีความหมายไม่ตรงกันแท้กับที่ใช้ในภาษาไทยพัสสะหรือสัมผัสแปลาตามรูปศทกว่าการกระทบแต่มีความหมายทางธรรมะว่าการประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะอารมณ์และวิญญาณพูดอย่างเข้าใจกันง่ายๆพัสสะ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 ในกระบวนการธรรมะนี้สิ่งที่ควรสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ก็คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามาซึ่งเกิดขึ้นในลำดับถัดจากภาษานั่นเองความรู้สึกนี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์หรือการเสพรสอารมณ์ คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นโดยเป็นสุขสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนานี้ถ้าแบ่งตามทางรับรู้ก็มีหเท่าจำนวนอายตนะคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเป็นต้น เวทนา6หรือในภาษาอังกฤษว่า feeling 1. จกักขุสัมผัสสัชา ว, วทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสัชา ว, วทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู 3. าคานาสัมผัสสัชา ว, วทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. จิวหาสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจแต่ถ้าแบ่งตามคุณภาพจะมีจำนวนสามคือหนึ่ง สุขได้แก่สบายชื่นใจถูกใจสองทุกข์ได้แก่ไม่สบายเจ็บปวดสามอาทุกขมสุขไม่ทุกขไม่สุขคือเรื่อยๆเฉยเยซึ่งเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาสำหรับอุเบกขาในหมวดเวทนานี้เป็นคนละอย่าง กับอุเบกขาในหมวดสังขารเช่นอุเบกขาโรมิหารอุเบกขาสัมพโยชงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งแบ่งละเอียดลงไปเป็น5้าอย่างคือ 1. สุขได้แก่สบายกาย 2. ทุกขได้แก่ไม่สบายกายเจ็บปวด 3. โสมนัส ได้แก่สบายใจชื่นใจสโทมนัสได้แก่ไม่สบายใจเสียใจละหอุเบกขาได้แก่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์กระบวนการรับรู้เท่าที่กล่าวมานี้เขียนให้เห็นง่ายๆได้ดังนี้อายตนะคือทางรับรู้ บวกอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้บวกวิญญาณคือความรู้เท่ากับผัสสะการรับรู้ไปสู่เวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์ดังได้กล่าวแล้วอารมณ์ก็คือโลกที่ปรกากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์ทางอยายตนะต่างๆการรับรู้อารมณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถในการเกี่ยวข้องกับโลกทำให้ชีวิตอยู่รอดและดำเนินไปด้วยดีในกระบวนการรับรู้นี้เวทนาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งโดยทาหน้าที่เป็นเครื่องชี้บอกให้ทราบว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตควรหลีกเว้นอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตควรถือเอาประโยชน์ได้ เวทนาจึงช่วยให้กระบวนการรับรู้ที่ดำเนินต่อไปสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนเวทนามิได้มีความหมายเพียงเท่านั้นคือไม่ใช่เพียงแค่ว่ากระบวนการรับรู้ได้มีส่วนประกอบเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมความรู้ให้สมบูรณ อันจะทำให้เขามีความสามารถมากขึ้นในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแต่เวทนายังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นผลตอบแทนหรือรางวัลแก่เขาในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยผลตอบแทนที่ว่านี้คือความอร ե ศอร่อยความชื่นใจที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งเรียกว่าสุขเวทนา ในกรณีที่กระบวนการรับรู้ดำเนินมาตามลำดับจนถึงเวทนาถ้ามนุษย์หันเข้าจับเวทนาไว้ตามความหมายในแง่นี้มนุษย์ก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู้ทำให้กระบวนธรรมะอีกอย่างหนึ่งได้โอกาสเข้ามารับช่วงแล่นต่อไปแทนที่โดยเวทนาจะกลายเป็นปัจจัยตัวเอกที่จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องต่อไป พร้อมกันนั้นกระบวนการรับรู้ซึ่งกลายไปเป็นส่วนประกอบและเดินควบไปด้วยก็จะถูกกำลังจากกระบวนธรรมะใหม่นี้บีบคั้นให้บิดเบือนและเ อ, เอียงไปจากความเป็นจริงกระบวนการธรรมะรับช่วงที่ว่านี้มักดาเนินไปในแบบง่ายๆพื้นๆคือเมื่อรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เกิดความรู้สึกสุขสบายชื่นใจเป็นสุขเวทนาก็อยากได้คือเกิดตัณหาเมื่ออยากได้ก็ติดใจผัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือมั่นเป็นอุปาทานค้างใจอยู่ไม่อาจวางลงได้ทั้งที่ตามความเป็นจริงไม่อาจถือเอาไว้ได้เพราะสิ่งนั้นๆ ล่วงเลยผ่านพ้นหมดไปแล้วจากนั้นก็เกิดความคุ่นคิดสร้างภาพต่างๆที่จะให้ตนอยู่ในภาวะครอบครองอารมณ์อันให้เกิดสุขเวทนานั้นพร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้ได้อารมณ์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์นั้นแล้วลงมือกระทําการต่างๆ ทางกายบ้างวาจาบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการเพื่อจะได้เวทนาที่ชอบใจนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในทางตรงข้ามถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วเกิดความรู้สึกทุกข์เจ็บปวดไม่สบายเป็นทุกขเวทนาก็ไม่ชอบใจขัดเคืองอยากจะพ้นไปหรือให้มันสูญสิ้นไป อยากทำลายเป็นตันหาผูกใจปากใจค้างใจกับสิ่งนั้นเป็นอุปาทานค้างใจกับสิ่งนั้นในทางร้ายที่จะชิงชังเกลียดกลัวหลีกหนีอย่าให้พบเห็นอีกเป็นต้นพร้อมกับเกิดเป็นปฏิกิริยาให้ยิงยึดมั่นฝันหาผูกใจมั่นหมายที่จะให้พบให้ได้สุขเวทนาและสิ่งที่หวังว่า จะให้สุขเวทนาแก่ตนยิ่งขึ้นไปอีกในกระบวนการนี้ก็จึงบังเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนรุนแรงเข้มข้นที่เป็นผลเสกสรรของมนุษย์เองซึ่งหมุนเวียนเข้าวงจรที่เริ่มจากเวทนาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นสังสารวัตรวนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถก้าวต่อไปสู่ผลเลิศอย่างอื่น ที่ชีวิตนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปโดยในยะนี้จะเห็นว่าจวงต่อที่กระบวนธรรมะจะสืบทอดจากการรับรู้คือภัษะต่อไปนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทีเดียวและในภาวะเช่นนี้เวทนาเป็นองค์ธรรม ที่มีบทบาทสาคัญมากกระบวนธรรมะที่ดำเนินต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นต่อบทบาทของเวทนาว่าจะมีลักษณะอย่างใดทั้งนี้พอจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าข้อสังเกตที่หนึ่งกระบวนธรรมะที่สืบทอดจากพัสสะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกระบวนการรับรู้ที่บริสุทธิ์ กับกระบวนการสังสารวัตรในกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์เวทนามีบทบาทเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยๆอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ส่วนในกระบวนการสังสารวัตรเวทนาเป็นปัจจัยตัวเอกที่มีอิทธิพลรอบงำความเป็นไปของกระบวนธรรมะทั้งหมดกล่าวได้ว่า มนุษย์จะคิดปรุงแต่งอย่างไรและทำการอะไรก็เพราะเวทนาและเพื่อเวทนาหรือชีวิตจะเป็นอย่างไรก็เพราะเวทนาและเพื่อเวทนานอกจากนั้นในกระบวนการสังสารวัตรนี้มนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เป็นผู้รับอารมณ์เรียนรู้โลกเพื่อเกี่ยวข้องจัดการกับโลกอย่างได้ผลดีเท่านั้น แต่ได้ก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้เสพสวยโลกด้วยสำหรับกระบวนการรับรู้บริสุทธินั้นถ้าจะพูดให้ละเอียดชัดเจนตามหลักก็ต้องตัดตอนที่ช่วงต่อจากผัสษะนี้ด้วยเหมือนกันโดยถือว่าการรับรู้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วที่ผัสษะดังนั้นกระบวนธรรมะต่อจากนี้ไป จึงแยกได้เป็นอีกตอนหนึ่งและขอเรียกชื่อว่ากระบวนการยานทัศนาหรือกระบวนธรรมะแบบวิวัตเป็นคู่ปฏิปักษ์กับกระบวนการสังสารวัตแต่กระบวนธรรมะแบบวิวัตเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตจึงจะยกไปพูดในตอนที่ว่าด้วยชีวิตควรให้เป็นอย่างไรและ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรไม่กล่าวไว้ในที่นี้